วันนี้เป็นวันที่8พุพฤษภาคมพุทธศักราช2 5 5 8อาเมื่อวา น, นหลวงพอ่อออกพอฉันฉันเสร็จทางวัดก็ออกมาทุระและก็มาพบกับผู้ที่มาเกี่ยวข้องเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้เป็นวันเริ่มงานของพวกเรา จะมีการทอดผ้าป่าสามคัคคีเพื่อซื้อที่ดินให้กับวัดรวมธรรมของพวกเราก็มีทางนะกุงศรีออตโต้เป็นประธานใหญ่และก็พร้อมกันก็พร้อมกับพี่น้องประชาชนทุกหมกเราผู้ที่อยากจะได้บุญพูดอย่างง่ายๆนะถ้าผู้พี่ไม่อยากจะได้บุญก็คงจะไม่ เขามาเกี่ยวข้องตามว่าผู้ที่อยากจะได้บุญนะเก็เอาเขามาร่วมมารวมกันเพื่อซื้อที่ดินวัดรวมธรรมเพราะวัดรวมรวมธรรมของเรามีที่ดิน30กว่าไร่รู้สึกว่าจะแคบไปสักหน่อยก็คณะกรรมการทั้งหลายมีหลวงพ่อเนะี่ยเห็นว่าวัดรวมธรรมของเราเพียง30กว่าไร่ แคบไปควรจะเพิ่มเขาอีกเป็น12ไร่สี่สิบกว่าไรได้สามสามสิบฮะสามสิบสี่ไร่เนาะทีแรกเนาะจะเพิ่มเขาอีก12ไร่เนาะอ่าเพิ่มเขาอีก12ไร่ที่พวกเราจะรวมกันวันพุ่งนี้แหล ะ, ะวันที่9 แต่ว่าไร่นึงก็ประมาณสัก ¥300,000 เพราะว่าสิบสองไร่สิบสองไร่ ส, สี่ล้านฮะเพรานั้นวันพุ่งนี้นะพี่น้องสัทไายญาติโยมลูกหลานมารวมรว ม, รวมกันเทกระเป๋าใส่กันแล้วว่วันพนุ่งนี้เพื่อซื้อที่ดินถวายวัดนานทีปีโหนพวกเราจะได้ซื้อที่ดินเราซื้ออยู่ซื้อกินทุกวัน เรายังซื้อกินอันนี้เราซื้อที่ดินถวายวัดเนี่ยนับดูสินับถอยหลังนึกถอยหลังนั่สิว่าเราได้ทำกี่ครั้งในปีนี้บางคนยังไม่มีนะแต่หลวงพ่ อ, อมีหลายครั้งหลวงพ่อนะแต่ทึงยังไงก็ตามนะหลวงพ่อก็ยังไม่อิ่มไม่อิ่มในบุญไม่อิ่มในการสงเคราะห์อนุเคราะห์ไม่อิ่ม ในการซื้อที่ดินเพราะซื้อเสร็จแล้ว <c oughs> มันก็เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนานานเท่านานไม่ใช่สมบัติของผู้ใดใครผู้หนึ่งแต่ถ้าหากว่าพวกเราเขามาบวชหรือเขามารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมที่นี่เราก็มาอยู่ที่นี่เป็นสมบัติของเราส่วนหนึ่งไม่มีการเก็บค่าที่พักพาอาศัยไม่ได้เก็บเหมือนกับโรงแรมเขา แสดงว่าเราเป็นเจ้าของอวัดวาศาสนาเพราะนั้นเมื่อเราซื้อเข้ามาแล้วก็เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติกลางไม่ได้เป็นของผู้ใดเพราะนั้นที่พวกเราจะมาร่วมมารวมกันเสียสละทุนทรัพย์เพื่อซื้อที่ดินวันพุ่งนี้แหละเมื่อฉันจังหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็จะได้รวบรวมกันได้มากน้อย เท่าไรแต่ก็หน้าพิถกกังวลเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเศรษฐกิจในช่วงนี้ใครใครก็บนกันทุกหัวและแหงว่าเศรษฐกิจประเทศของเรารู้สึกว่าไม่ค่อยดีไม่ใช่ประเทศของเราโลกทั่วโลกอบอกว่าสมารเศรษฐกิจไม่ดีทุกประเทศในทั่วโลก สรุปแล้วก็คือโลกมันอยู่ในขาลงค่ะอยู่ในขาลงก็เลยทําให้จริงอไม่รู้ ว, วันหายไปไหนมันเหมือนกันนะนะโลค ก, กันเนี่ยมันก็แปลกมันกันน ะ, เ, ะเงินเงินทองของกายยศิษฐ์เงินทองของกายยศิษฐ์ถ้าย่อนความคิดเงินกดเงินทองก็หายไปคนโบราณเขาบอกว่าอย่างนั้นนะ เงินทองเป็นของกายยศิทธิ์ถ้าพวกเราหย่อนความคิดเงินทองก็หายไปจากกระเป๋าพวกเราแสดงว่าในยุคนี้สมัยนี้พวกเราไม่ว่าประเทศไทยละทั่วโลกคงจะหย่อนความคิดกระมังนะเงินทองก็เลยหายออกจากกระเป๋าของใครของเราเอ้มันหายไปไหนว่าเนะต่างคนก็ต่างประเศรษฐกิจไม่ดีเนเะพราะนั้นวันพ่งนี้แหละถึงจะดี ดีหรือไม่ดีพวกเราก็จะเทน้ําใจใส่กันละเพื่อจะซื้อที่ดินฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสน า, ศาฝากฝังสมบัติไว้ในพระพุทธศาสน า, ศาไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเพราะนั้นขอบอกกล่าวพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะมาร่วมกันวันพรุ่งนี้ฉันจังหารเสร็จแล้วก็จะมีการทอดผ้าป่าองคงสีออโต้ เป็นประธานแล้วก็คุณอ๋อยอหลานนายสานี่ที่ท่านจะบวชวันพุ่งนี้นะ เ, เ, ปนเป็นมั่นเป็นเหมาะคีวัดชีวิตทั้งชีวิตนี้จะบวชเป็นชีตลอดไปในความตั้งใจของอของตัวเองเอที่ได้พูดออกมาต่อสาธารณชนต่อหลวงพ่อด้วยคีหวัาจะตั้งใจบวชในพระพุทธศาสนาบวชเป็นชีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อันไหนจะเกิดประโยชน์เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลใส่จิตใส่ใจของตอนเองอสร้างโลกก็สร้างมาแล้วบัดนี้จะสร้างทำมะเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจหลวงพ่อเองก็อนุโมทน า, อ, าอนุโมทนาสาธุด้วยมีเจตนาดาีแล้วก็พร้อมกันก็จะบวชวันพงนี้แล้วก็มีการทอดผ้าปา่าได้บอกกล่าวพวกหมู่เพื่อนบริวาร ที่รู้จักมักคุ้นเป็นสมาคม เ, าเดียวกันตั้งแต่ก่อนก่อนที่จะเข้ามาวัด เ, เชิญหมู่พวกเพื่อนเขามาร่วมามาร่วมเพื่อเป็นการทอดผ้าป่าเป็นการทำบุญร่วมกันกับสมาคมาพวกรถมือสองอแล้วก็บพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าแล้วก็คงจะมีพระสงฆ์เขามาร่วมงาน พระเถระหลายรูปเหมือนกันที่นิมนต์มาไม่ต่ำกว่า3าิบนะเพราะนั้นขอบอกกล่าวให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่านะเมื่อได้ยินเสียงหลวงพ่อประกาศไปนี่ก็ให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านผู้ที่จิตใจใฝ่กุศลนะให้มาร่วมกันสร้างนะหาโอกาสอย่างนี้หาหาได้ยากเหมือนกันนะนะนะนะเพราะว่าหาโอกาสอย่างอื่นเราก็ ทำอย่างอื่นมาก็มากต่อมากแล้วแต่หาโอกาสที่จะสร้างบุญสร้างกุศล อ, อย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ของหาได้ง่ายเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ได้มาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยแล้วก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ถึงวันพรุ่งนี้ อ, อีกเพื่อจะได้ดูแล้วก็พร้อมกันวัดของเราเป็นวัดสร้างใหม่ อันดับแรกก็เป็นความคิดของหลวงพ่อเองว่ากำแพงนี่น่าจะน่าจะทำกาแพงก่อนเพื่อจะกันเสียงไม่ให้เสียงเวลาเรามาอยู่ที่นี่รถวิ่งผ่านมันอยู่ใกล้ถนนใหญ่แล้วก็มีกาแพงกันซะ เ, เพื่อความสงบ เ, เพื่อความผาสุก ข, ของผู้มาปฏิบัติธรรมแต่พอทำขึ้นไปถามสมพานท่านรัตนะบอกว่า ได้ประมาณ200เมตดครับหลวงพ่อ200กว่าเมตรหน่อยๆ ห, หลวงพ่อก็โอ้ก็ดีมองเห็นแล้วก็แน่นหนามันคงกำแพงสูง2เมตร50ไม่นับคานนะคานดินถามว่าเม็ดละเท่าไหร่อันก็บอกว่าประมาณเม็ดละ 3,000 กว่าๆหลวงพ่ อ, อก็ไม่เกินไม่เกินของหลวงพ่อเท่าไหร่ทั้งที่หลวงพ่อสร้างมาตั้งแต่ปี36 ปี3 7 3เปีนั้นก็ประมาณ 3,000 บาทนะแต่ก่อที่แรกก็ 2,500 ัน้าเขาอยู่ไม่ได้ก็ เ, เลยขึ้นไปถึง3 0 0 0แต่นจากนั้นมานี่ก็หลายปีก็ได้3มเม็ดละ30เม็ดละ3 0 0พกวา่วากว่านี่ก็รู้สึกว่าฟังได้นะแล้ว ก, ก็คงจะทำไปอีกหลายเม็ดเหมือนกันแล้วหลวงพ่อก็ถามมาหมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย ประมาณจะเกือบ8 0 0แ0นนะครับนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งทางว่าผู้ใดอยากจะสร้างกำแพงเวียงวังต่อไปภายภาคหน้ า, เ, าเป็นบุญเป็นกุศลมื่งกันนะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเม็ดนึงก็ประมาณเขาว่าเม็ดนึงไม่ใช่ตารางเม็ดนะเม็ดนึงวัดเป็นความยาวไปเลยนะ่ะตั้งแต่จนจบนะ่ะเม็รความยาวของกำแพง200เมตรเนี่ย แล้วก็คิดเอา2อ0ส อ, ส อ, รอตรเอเมคูณกับ3 0 0พกว่า3 5ม0เข้าไปเลยก็ได้นะเป็นเงินเท่าไรก็เท่านั้นแหละอันนี้แหละคืออันนี้คือเริ่มก่อสร้างต่อไปก็คงจะสร้างศาลาสร้างศาลาขึ้นศาลาขึ้นมาแต่ศาลาเนี่ก็พรพุทธโลกทั้งเสียต้อมเสีย เ, เสียขิวเสียอิวเอก็นู่น ไปเอาไปสั่งหินจากประเทศพม่าสร้างพระนะพระหินขาวนะอทําหินขาวจากประเทศพม่าไปดูสองสามครั้งแล้วอันนั้นก็คือพระประธานพร้อมกับพระสาวกนะแล้วก็เนาาี่ยศาลาคิดว่าเมื่อกําแพงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วคงจะเริ่มศาลาละทีนีเ่เริ่มศาลาธรำศาลาปฏิบัติธรรมลาศาลาประยัดาลาการประเรียนญญ แค่ศาลาที่เราอยู่เดียวนี่นะเป็นศาลาชั่วคราวต่อไปอาจจะเป็นที่รับแขกแล้เป็นที่พักพ้าอาศัยของศรัท ธ, ธาญาติโยมหลังนี้นะอันนี้แหะคือวัดใหม่แต่อาตมาเองหลวงพ่อเองอเมื่อทำสิ่งไหนก็ตามไม่ให้ไม่ให้พวกเราซสีเลียดและไม่ให้พวกเราเครียดเรื่องการเรื่องงานสั่งสมบาบุญบารมีของตัวเองไปด้วย สร้างบารมีของตัวเองไปด้วยสังสมบุญกุศลของตัวเองไปด้วยภาวนาไปด้วยและก็สร้างท้าวรวัตถุไปด้วยคล้ายๆแบบไปพร้อมๆกันไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาสร้างแต่ท้าวรวัตถุจนจิตใจของเราแห้งผากจนไม่มีคุณธรรมมันจะเข้าทำนองที่องค์หลวงตาเคยพูดเคยบอกไว้สมัยก่อนท่านเล่านี่นะไม่อยากจะให้สร้างนะ ที่ก่อนที่จะสร้างกำแพงหลวงพ่อเขาอยู่ที่วัดป่าบัานตาด เ, เขาจะมาขอให้สร้างสร้างโบสถ์เราก็ไม่ให้สร้างแต่กำแพงเนี่เราเห็นว่ามันจําเป็นสําคัญเพราะเหตุว่าถ้าหากว่าวัดไม่มีรั้วไม่มีกำแพงเวลามิจฉาเชีพอะไรเข้ามาหรือว่าต่อไปภายภาคหน้าถ้ามีปัญหาคนที่จะมาบุกลุก อ, อ, อยั่งที่ดินมันก็ เป็นไปได้ง่ายถ้ามีกำแพง ล, องลอ้อมรอบซะมันก็จะมั่นแน่นหนามัน่นคงเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนานานเท่านานแต่ถ้าว่าเราไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างของใหญ่ๆพอสร้างเสร็จแล้วนะ่ะเราเป็นห่วงละเกินเราเป็นห่วงพร ะ, ะมีจิตใจส่งออกส่งออกส่งออกมีแต่ว่าคิดสร้างอย่างเดียวพอสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั่นแหละกระดูกพระที่สร้างโบสถ์สร้างเจดีย์นั่นแหะเอามาฝังอยู่ในฐานเจดีย์ฐานโบสถ์หมดกระดูกเหล่าพระเหล่านั้นท่านทําไมพูดอย่างนั้นคำว่าทำไมทําไมจึงตายท่านว่าว่าตายจากขุนธรรมศีลธรรมพอสร้างโบสถ์เสร็จแล้วก็บดมองดูตัวเองมดอะไรตายอยากก็เลยลายสิขาเนะนี่ยนี่แหละคำว่าตายตายจากเพศจมณะนะ ตายจากเพศของพระนะพอตายเสร็จแล้วกับนี่ยแหละให้ข้าบอกคุณธรรมศีลธรรมอัตถบริขารทั้งหลายกัไปอยู่ในฐานโบสถ์ฐานวิหารฐานเจดีย์นี่แหละเราเป็นห่วงเลือกการก่อสร้างเพราะฉะนั้นเราจรึงไม่ให้เน้นในเรื่องการก่อสร้างจนมากเกินไปนี่แหละอันนี้คือคําสั่งคําพูดของหลวงตาที่ท่านเคยบอกกล่าวหลวงพ่อฟังแล้วก็ถึงใจนะ มีส่วนเพราะนั้นการที่จะสร้างหรือจะทำอะไรก็ตามหนะลวงพ่อนะคิดแล้วคิดอีกนะคระนาตถายาดโยมลูกหลาน เ, าเพราะจะเสียพระถ้าหากว่าได้ได้เต่ามาแล้วเสียหมานะคนโบราณเขาบอกว่านะได้เต่าเสียหมานะคือหมาราคามันแพงกว่าเต่านะาหมาพรานนะั่หมาพรานนะี่มันมีงูจงอางอยู่ตรงนั้นนะแต่เห็นเต่านะ ออพอหมาไปคาบเต่ามาก็จะถูกงูจงอางกัดนะก็เลยเสียหมามันไม่คุ้มค่ากันอันนี้ก็เหมือนกันนะได้โบสได้พิธิหารแต่เสียพระเสียคุณธรรมของพระในจิตในใจนั้นก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นวัดของเราเนี่ยก็ค่อยเป็นค่อยไป เ, เราจะไปเร่งทั้งด้านวัตถุเร่งทั้งด้านจิตใจนะัน เ, เลิศประเสริฐกว่า วันนั้นขอให้พวกเราคณะสตาญาติโยมลูกหลานนะ่าที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นให้ฟังก็เป็นแนวความคิดสำหรับให้พวกเราท่านทั้งหลายได้คิดเอ๊ะทำไมหลวงพ่อถึงจึงไม่เร่งอะไรสร้างขนาดหลวงพ่อสร้างวัดของหลวงพ่อนะตั้งแต่ปีสองสามาเริ่มปีสนะองห้าปีนี้กับปีห้านะกี่ปีก็ได้เพียงแค่นั้นละ หลวงพ่อเองถ้าจะสร้างให้รู้กา น, นั้นก็ได้ไม่ได้อยู่หลวงพ่อก็พอมีทุนอยู่ศรัทธาญาติโยมก็พอรู้จักมักคุ้นอยู่ที่จะสร้างแต่เมื่อสร้างไปแล้วนะการรักษายากเพียงแค่นั้นนะพอแล้วแต่ขนานี่ก็ยังหรูหราโออาพอแรงแล้วในความคิดของหลวงพ่อนึกดูสิว่าหลวงพ่อมาอยู่วัดป่านาคำน้อยใหม่หลวงพ่อกวาดใบไม้ ให้เป็นกองขึ้นมาแล้วก็เอาเสือปูที่ใบไม้แห้งจากนั้นก็นอนถ้าไม่เชื่อไปถามตูขาดูก็ได้เพราะตูขายังมีชีวิตอยู่ศรัทธาญาตโยมมีหลายคนยังมีชีวิตอยู่ที่ที่หลวงพ่อไปอยู่เบื้องต้นเพราะนั้นหลวงพ่อพูดตามความเป็นจริงให้ฟังหลวงพ่อเนี่ยจนขนาดนั้นละที่ ชีวิตทั้งชีวิตของพระพุทธศาสนาที่หลวงพ่อเข้ามาบวชจากนั้นก็ได้ขนาดนี้กัเอา้าก็นับว่าดีแล้วละเอาขนาดไหนขนาดกวาดใบไม้อยู่ เ, เดี๋ยวนี้ก็มีถึงขนาดนี้มีลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องเขามากมายารู้สึกว่ า, เ, าเป็นที่พอใจอในทางด้านทางนอกนะเพราะฉะนั้น ลูกน้องบริวารของหลวงพอ่อทุกองค์ทุกท่านตลอดถึงพี่น้องประชาชนผู้มาเกี่ยวข้องอการกระทำสิ่งไหนก็ตามเราทำด้วยน้ำจิตน้ำใจทำด้วยความเพียงพอหรือพอดี อ, อย่าไปคิดทางด้านวัตถุจนมากเกินไป เ, เราหาทำเข้าสู่จิตใจนะ่ะเลิศประเสริฐกว่าเพราะนั้นขอให้พี่น้องจะทายาดโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะ าทางด้านวัตถุก็จําเป็นแต่ก็ไม่ให้มันเกินไปแต่พวกเราจะซื้อที่ดินมันเกินไปไหมไม่เกินนะหลวงพ่อพิจารณาดูแล้วเพราะที่ดินมันแคบวัดมันแคบแล้วพวกเราจะหลบจะเละจะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ต้องมีเนื้อที่ของตนเองมีป่ า, ามีป่ามีที่สงบสงัดหลีเกเล่น เ, เป็นที่บําเพ็ญภาวน า, ามันจําเป็น แต่วัดของหลวงพ่อเนี่ยตั้งพันสามกว่าไรนะแล้วทั้งนอกอีก7 27ดย่สิบเจไร่อีกอกว้างแต่หลวงพ่อเห็นวัดหลวงพ่อแล้วก็ภาคภูมิใจในที่เนื้อที่กว้างพอสมัยก่อนนะเนื้อที่เนี่ยหไร่หนึงห้บาทก็มี100บาทก็มีสมัยนู้นอะ่ะที่หลวงพ่อไปอยู่ใหม่แต่นี้มันดูดูสิราคาทั้งส0 0 0สนแหละที่ว่าเราจะ ซื้อวันพุ่งนี้น่ะเพราะฉะนั้นสมัยนั้นหลวงพ่อก็เลยซื้อซื้อซื้อซื้อที่ดินเอาไว้ศรัทธาญาติโยมมาถวายหลวงพ่อไม่ให้ใครผู้ใดใครผู้หนึ่งเดือดร้อนเขาขายด้วยน้ําใจแล้วก็ซื้อด้วยน้ําใจกับพี่น้องประชาชนกับเป็นที่พอใจพอซื้อเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ของหลวงพ่ออีกเหมือนกันอย่างที่ว่านะอหลวงพ่อตายไปแล้วหลวงพ่อไปเซ้นไปขายให้แจกให้ญาติพี่น้องก็ไม่ได้ ตายไปแล้วก็เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของแผ่นดินบูไดไปปฏิบัติธรรมก็ไปปฏิบัติได้เดี๋ยวนี้พระในวัดของเราบอกอ้อาวองค์ไหนอยากจะออกทุดงไปอยู่ตามลำพงังอยู่ในกลางวัดอยู่ในกุฏิว่างๆไปนั่งภาวนาเลยนะไปเลือกเอาเลยเไม่ให้ใครเห็นใครตลอดทั้งวันก็ยังได้เพราะเหตุไรเพราะวัดของเรามันกว้าง น้ำก็ไหลไปทั่วถึงห้องน้ําห้องถ่าก็สะดวกสบายถนนที่ไปก็พอพอไปได้เป็นสถานที่เหมาะแก่การภาวนาเป็นการบําเพ็ญสร้างบุญสร้างกุศลหลวงพ่อก็บอกอย่างงั้นแหละนี่แหละหลวงพ่อสร้างวัดขึ้นมาไม่ได้สร้างเพื่ออย่างอื่นสร้างเพื่อให้ปี่น้องศรัทธาญาติโยมผู้มีอุปนิสัยมรรคผลนิพพานยังมีอยู่ในจิตในใจ เมื่อเราได้มาเห็นป่าอยู่ในป่าแล้วก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาพระร้อยองค์ได้มักได้ผลได้สำเร็จพระโสราบันสักองค์หนึ่งหลวงพ่อก็ภาคภูมิใจอย่างมากแล้ว อ, อ, อย่างที่หลวงพ่อพูดทุกวันเทศเให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ฟังทั้งออกทางเฟ e บุ๊กทุกวันนี่นะ แต่เขามีเสียงตอบรับมามากพอสมควรหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็ภูมิใจพอใจออมีลูกหลานได้ฟังแล้วก็มีประโยชน์เล่านําไปประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายใจของตอนเองหลวงพ่อก็ได้เพียงแค่นั้นแหะจะไปได้อะไรเพราะบางทีกันอยู่ที่อังกฤษอเมริกาแถวโยุโรปออพอได้ฟังทางโน้นแล้วก็ โอ้หลวงพ่อพูดมีประโยชน์สอนลูกสอนหลานให้เป็นผู้มีความมั่นขยันอดทนให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมให้สำนึกว่าตัวเองเออตายแล้วไม่สูญว้าตายแล้วเกิดอีกาบาปบุญคุณโทษมีจริงให้ระลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ของตนเองเนอให้สร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเด้อเพียงแท่นี้พวกเขาเหล่านั้นก็ได้ยินแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติสิ่งไหนที่มัน โมโหโกธาผูกพยาบาทอาฆาตจองเวนในจิตในไกลกว่าถอยออกมาอถอยออกมาเป็นคนดีดปุจจลบแล้วคือเป็นคนดีสํานึกตัวได้ข่าทําไปเพื่ออะไรความชั่วเหล่านั้นข่าทําไปเพื่ออะไรเขาจะอยู่กับเราอยู่นานจนถึงไม่ตายไม่เป็นจากกาันอย่างนั้นใช่ไหมต่างคนก็ต่างจะหนี้จากกันออกอยู่แล้ว อันไหนคือคุณงามความดีอันไหนคือความอดทนมีขันติมีความอดทนมีความพยายามาตั้งอกตั้งใจทำคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีเข้าสู่เข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเลยจากจากนั้นก็ต่างคนก็ต่างไปท่านอะไรท่านีา่ไนอไม่ใช่ว่าพวกเราจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายตายไม่เป็นไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างนั้น อ, อีกสักวันหนึ่งทระ เวลาจู่ด้วยกันขนา อ, อโมโหโกธาผูกอโกรธให้กันแต่พอคนหนึ่งตายไปนะั่ะร้องหหยร้องไห้สาวันสามคืนก็ไม่จบอไปอยู่ที่ไหนก็บนภูมพันธ์พำอยู่ตลอดเนะออเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเคยมีอยู่ได้หลวงพ่อเคยได้ยินอพอหลวงพ่อเกิดมาหลายปีนะ่ะหลวงพ่อเคยได้ยินคนนั้นบางคนนี่ว่างมาพูดให้ฟังหลวงพ่อก็นึกขำๆในใจเหมือนกันนะั่นแหละ เออแต่อยู่ด้วยกันเนี่ยมองตากันก็ไม่เต็มลู ก, กตาเหมือนนเถอะเออเพียงแต่แแมกดูแต่คว่างหูขวางตานะี่ยเออพอตายจากกันเท่านั้นนะเอาร้องโมน้องให้บน่น พ, พ, พุมพุม่พอมๆตลอดเนะ่ยไปที่ไหนก็โอ้ยได้กินอะไรก็เอาเอออยากจะให้เขามากินมาอยู่ด้วยมากินด้วยฮ้แต่ที่ไหนเมื่อสมัยยังมีชีวิตอยู่นะี่ยโกรธให้กันให้เนี่แหละกิเลสมันเป็นอย่างนั้นนะสทาญาทโยมลูกหลานพูดให้ฟัง เพราะนั้นเมื่ออยู่ด้วยกันสิ่งไหนเท่มันไม่ดีก็รู้ว่ามันไม่ดีจุดนั้นเราก็ทิ้งไม่ซะเราก็คิดแต่สิ่งที่มันดีเอามันดีเข้ามาหากันมีอะไรก็พูดจาพาทีกันรักกันเมตตากันสงสารกันแล้วก็พร้อมกันเดินไปด้วยกันสั่งสมบูรณ์กุศลไปด้วยกันสร้างบารมีไปด้วยกันจากนั้นก็ต่างคนก็ต่างไปด้วยกันถ้าหาว่า เกิดมาพบนายชาติหน้าคนที่มีบุญบารมีด้วยกันก็นจะไปด้วยกันอย่างพระพุทธเจ้ากับนางพิมพาเนี่ยเอ้นางพิมพาขนะอาาาขอปรารถนาอาติดตามพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นผู้มุ่งมั่นหวังโพธิญาณเนี่ยนนะแต่ขนาดพระพธิ์พระพุพะพทธเจ้าเอาพระเวทชั้นดอนนะให้ทานลูกนะเออ ทานสมบัตินางมัตชีก็ยังเดินตามาทางาปู่พ่อปู่แม่ญาติบอกว่าเขาจะขับไร่พระเวชชันดอนออกนอกเมืองอานางไปอยู่จะไปได้ยังไงลูกยังเล็กยังน้อยอยู่อยู่กับปู่กับญาตจะให้พ่อไปซะที่เข า, เาไร่ก็ให้ไล่ออกไปซะจะค่อยกลับคืนมานางพิมพ์พารยาโสอย่งอางนางมัตชีนะโอ้ยไม่ยอมเอ เกิดมาอยู่กับสามีก็ต้องตายกับสามีถ้าอยู่ที่บ้านเขาก็จะว่าแม่ล้างแม่ใหม่อีกต่างหากดูถูกเกลียดหยามยังไงก็ไปตายในป่าด้วยกันนั่นเห็นไหมนั่นคู่บา ร, รมีไปด้วยกันจากนั้นเมื่อไปอยู่ในป่าแล้วทั้งที่พระเวชชันดอนจะตโนถนอมพระเวชชันดอนก็คิดถึงโพธนะิญาณมากกว่าอย่างอื่นเมื่อพราะมาข อ, อมาขอ พระเวทมาขอไอ้นางกันหาชาลีกันหาคือผู้หญิงชาลีคือผู้ชายนะมาขอลูกทั้งสองคนพระเวทฉันดอ น, นางมัตชีอยู่ในป่ากำลังไปหาผ ล, ละมะลารากไม้อยู่พระเวทฉันดอนก็ทานอกีกทานให้พรามทานให้ชูชกนะชูชกนี่ยก่อได้ไปแล้วไม่ใช่ปณีประนอมเลยแส่หัวต่อหน้าอีกต่างหากาพระเวทฉันดอนโอ้โห เออไอค้คายว่ารักลูกขนาดไหนชักมีดขึ้นมาชักพักแสงขันว่าก็ไปฟันตัดคอพามที่ไหนโอ้ตายโพธิญาณของเราเนี่ยเ อ, อเหนือกว่าอะไรทั้งหมดน้าพระองค์เข้าสมาธิเออไม่มองไม่ดูะนี่แหละอันนี้ท่านรักโพธิญาณคือรักพระพุทธเจ้ามากกว่าลูกมากกว่าเมียนะเพราะในสุดนางมัตชีมาเนี่ยมากกว่ามาหาลูกน่ะ ลูกไปไหนพระเวชจันรอนก็นั่งสมาธิเฉยเอทําไมพระเวชจั น, นทรทําไมจึงไม่บอกเพราะว่าพรามเพิ่งออกไปทนางมัชีรู้ว่าพระเวชพามออกไปไปทางไหนท่นี่นางมัชีก็จะวิ่งตามท่นี่อผลที่สุด น, น, นางมัชีก็จะไปตายที่ไหนก็ไม่รู้ที่นี่พอวิ่งตามลูกลูกเอลูกชายลูกสาวเนี่ยเพราะรักความรักลูก่ะ ในเมื่อพระเวชชันดรพูดอย่างนั้นเลยกนันางบัญชีก็ไม่รู้จะหาที่ไหนก็วิ่งไปกระโดดลงไปสะน้ําไปหาที่ลูกเล่นน้าําบังไปงมหาลูกบงังไปหาในปลาแถบนั้นบางเ อ, อพระเวชชันดรก็เฉยเออนี่แหละผลในสุดจึงรู้ได้ว่าพระเวชชันดรบริจาคให้พรามนางก็เนี่ยทั้งอนุโมณธนาทั้งร้องโหยร้องไห้เหมือนกันแต่นี้ ะพระอินทร์อยู่บนสวรรค์อีเท่เนี่ท่านล้โอ้พระเวสสันดรเนี่ยเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางจริงๆถ้าหาว่ามีคนมาขอนางมัชชีอีกก็จะบริจาคนางมัตชีอเอกแล้วพระองค์จะอยู่ได้ยังไงเพราะคู่บารมีของพระโ พ, พธิสัตว์นี่พระอินทร์ก็ะทำท่าเป็นพรามลงมาจากสวรรค์ เป็นพระอินทร์ลงจำแรงผ้าเป็นพรามเหมือนกับชูชก ค, คนนั้นแหะ เ, เข้ามากะยกมือไหว้ท่านพระเวชชันรอนครับท่านเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่เป็นผู้กว้างขวาง เ, าเป็นผู้บำเพ็ญทานอันยอดเยี่ยมใช่ไหมที่ท่านปรารถนาโพธิญาณพระพุทธเจ้าเป็นที่รักยิ่งของท่านาท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตท่านรักยิ่งกว่าใครทั้งหมดยิ่ ยักรักยิ่งกว่าดวงตาของท่านใช่ไหมพระเวชจันดรว่ะชายเรารักโภธิยานยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดในเพลินปีพบเนี่ยขนาดใครจะขอดวงตาเราเราก็จะควักให้ถ้าใครอยากจะขอดวงใจของเราเราจะแวกให้แตถ้าข้าพรเจ้าขอนงางมัตชีละ่ะท่านจะให้ไหมฮะท่านนี้เอออ้าวให้พระเวชจันดรวะอ้าวให้ เออเอานางบัญชีจะไปไหมกับุดแท้แต่พระองค์ท่านแล้วถ้าพระองค์เอประทานแล้วก็เป็นของไ ท, ทยยศทานเป็นของทานแล้วก็หม่อมฉันก็จะไปตามที่พระองค์ประทานให้เออพระเวชชันดรทั้งที่รักแสนรักนะ่ะรักนางมัญชีใครจะไม่รักใช่ไหมละ่ะเอารักเมียใช่ไหมแล้วก็อยู่ด้วยกันสองคนอีต่างหากนะเออนางมัญชีก็น้อมรับเออเมื่อพระองค์ เสียสละให้พราหมณ์เอาพรา้อมที่จะไปเป็นของพราหมณ์พระอินทร์กับ เ, เอากับข้าพระองค์รับพระนะรับนางมัตชีเป็นของข้าพระองค์แต่นี่แต่ข้าพระองค์ขอถวายคืนต่อ น, นี้ไปเนี่ยขอให้นางมัตชีเนี่ยคู่อยู่กับคู่พรฤษีเนี่ยเพราะว่าท่านจะไปถวายของข้าพระเจ้าไม่ได้นะของข้าพระเจ้าเนี่ยนางมัตชีเป็นของข้าพระเจ้า ข้าพเจ้าขอถวายคืนให้กับท่านฤาษี่ท่านฤาษีจะไปให้คนอื่นไม่ได้อีกนะพะเป็นของข้าพเจ้าก่อนที่จะให้คนอื่นก็ต้องมาถามข้าพเจ้าเสก่อนเพราะข้าพเจ้าเป็นเป็นเจ้าของนางมัตชีแต่ข้าพเจ้าเนี่ยขอน้อมถวายขอเอาถวายนางมัตชีให้กับเป็นคู่กับพระฤาษีเวชชั้นดรน เพระเวชชันดรก็จำนลจำนนตรักเหตุผลของออของของพรามณ์พรามณพระอินทนระ์แท้จากนั้นพระเวชชันดรก็รับพอรับธ น, นพระอินทร์ก็แสดงตนให้ปรากฏกเหาะ ข, ขึ้นบนอากาศกับคารวะพระเวชชันดรจากนั้นเข้าไปขึ้นไปสู่ ส, สวงสวรรค์นี่แหละเป้าพุทธเจ้าของเราเนี่แหละเรื่องการให้ทานพระเวชชันดรเนี่ย เป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยในการเสียสละหวังอะไรหวังโพธิญาณหวังไปเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตแต่ในพวกเราไม่ถึงขนาดนั้นล็อกวันพุ่งนี้นะอไอ้โบริจากคนละเท่าไหร่ไล่หนึ่งส0มแสนมันกี่ตารางมันมัน400ตารางเมตรใช่ม่ร้0ตารางเมตรก็เอา3าแสนเข้าไปหารออกมาเลย ใครใครจะเอาเท่าไหร่อใครจะเอากี่ตารางเมตรนะถ้าเอาห้าสิบตารางคูห้าสิบคูห้าสิบเซนติเมตรเราก็ได้ยืนใช่ไหมล่ะถ้าว่าเอ า, เอาประมาณหนึ่งตารางเมตรหนึ่งตารางเมตรเราก็เด่นั่งใช่ไหอถ้าใครเอาสองตารางเมตรตารางเมตรคูสองตารางเมตรเราก็ได้ น, อ, าาาาาาดนอนฮนี่แหละอันนี้ก็คือใครจะเอาอะไร วันพุ่งนี่แหะเป็นที่รู้กันไม่ถึงกับพะเวชสันรอนหรอกไม่ถึงกับทานลูกทานเมยทานช้างทานราชสมบัติหรอก เ, อเราเสียสละทุนทรัพย์นิดหน่อยเราซื้อกล้วยเตี๋ยวเราทําเราเอาไปซื้อหวยก็ยิ่งมากกว่านั้นอีกเราไปทิ้ง เ, เล่นเล่นหวยเล่นเบอร์อไปทิ้งอย่างอื่นยิ่งมากกว่านั้นอีกที่มันทิ้งทิ้งคว่างๆอันนี้เรามาทิ้งฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่ เป็นบุญเป็นกุศลนะคณะสถาญาติโยมนะต่อเ น, นี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรวันพุงนี่แหละเป็นวันทอดผ้า ป, ป่าของพวกเรา